สมิลลราะห์มานุลราะิ h a m d u l i l l a h i i l a l m i n و به نستعين لا حول ولا قوة إ ل ه ا ل ر ح م ة ا ل ر วามสันติความเจริญเจอลลอฮ ح ا ن ะประสบกับพี่น้องผู้ัาทุกท่านนะครับฮัมดุิาพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งพี่น้องยังให้ติดตามนะครับในรายการพยุสียงอิสลาม ครับยิบสี่ชั่วโมงทุกท่านที่ติดตามอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้บอกและก็กล่าวกันนะครับว่าคดรอ่านที่มีความสำคัญคดรอ่านที่มีความจำเป็นนั้น เราซึ่งเป็นผู้ศรัทธานะครับควรที่จะต้องใส่ใจและก็บอกตัวเองเสมอนะครับว่ากุรอ่านนั้นคื อ, ค, อคือธรรมนูญครุรอ่านคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยในเวลาที่มีอยู่นะครับที่จะได้นำอัลกุรอานมาเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิต รายวันของเร า, ค ร, ko เราครับนั่นก็คือการได้มีการทบทวนได้มีการอ่าน hours, ทุกๆวันนะครับจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเมื่อไรอย่างไรนะครับก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับแต่ที่สำคัญก็คืออยากให้กุรอานนั้นอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตของเราทุกๆคนเลยนะครับครับพี่นะครับเรากลับมานะในชุรรอมอัลกอซัสนะครับวันนี้ต่อเนื่องนะครับในอายะที่ยี่สิบหกนะครับเท้าความในตอนที่แล้วนะครับที่ ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสサมได้ช่วยเหลือหญิงสองคนในการให้น้ำสับเลี้ยงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีหญิงหรือคนหนึ่งจากสองนางนั้นได้เดินมาหานบีเดินกลับมาแล้วบอกกับนบีมูซ่าว่าพ่อของเขาได้เชิญเพื่อที่จะมอบรางวัลที่ได้ช่วยเหลือเขานะครับหลังจากที่มาถึงนะครับที่บ้านของหญิงนั้นก็ได้บอก เล่านาบีมูซาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นจนถึงมาถึงวันนี้นะครับเขาก็ได้ให้มีการปลอบใจแล้วก็ได้บอกว่าได้รอดพ้นจากาประชาชาติหรือกลุ่มชนที่อาธรรมทั้งหลายนะครับในอายะห์ถัดไปที่เขาบอกก็ละอดาฮุมายาอับดิสตะจิรหลังจากที่คุยเห็นคุยกันแล้วนะครับลูกสาวนะครับคือหนึ่งในสองคนที่กระเล็ มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือโดยตรงนี้นั้นก็ได้บอกกับพ่อนะครับบอกว่าโอ้พ่อจ้างจ้างชายคนนี้เถิดน ะ, ะจ้างชายคนนี้เพื่อดูแลหรื อ, อ, อมาเป็นเขาเรียกว่าคนใช้หรือเป็นคนดูแลแกะของเราหรือแพะของเรานี่นะครับเนื่องจากอะไรพี่น้องครับเนื่องจากว่าหญิงนั้นได้เห็นว่าความมีมารยาทการ มีอคลาคที่ดีของนบีมูซาอะเลฮิสซาลัมนั่นก็คือตอนขาเดินกลับเนี่ยนะครับเรื่องราวนี้ก็เล่าให้พ่อฟังนะครับว่าตอนเดินกลับเนี่ยท่านนาบีมูซากล่าวกับหญิงคนนั้นว่าให้บอกมาว่าท่านเดินตามฉันซึ่งหญิงนี่แปลกใจว่าท่านไม่รู้ทางแล้วจะให้จะตามได้อย่างไรแต่นบีมูซาบอกก็ไม่เป็นไรนะครับท่านบอกมาว่าให้ตรงให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ให้เดินตามตามหลังฉัน พี่น้องครับนี่คือฮิกมะและก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่มาเป็นเรื่องน่าแปลกนะฮะในยุคนั้นหรือในวินาทีนั้นเลยก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นไปได้อย่างไรผู้นําทางเดินอยู่ด้านหลังนะแต่ที่นบีมูซาได้อย่างนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากขีตนะครับและสิ่งต่างๆที่ชเชตอมันจะได้ยุนะครับนั่นะก็คือการได้เห็นอ่าซี ร, ระของสตรีที่อยู่ข้างหน้านะครับนี่คือการปกป้อง นะครับนั้นคนที่เป็นระซูลคนที่เป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุภาณ ห, นะหัวตะลาเลือกนั้นก็รมะมัดระวังตัวเองแล้วก็ได้ได้ได้บอกให้กับสตรีท่ทานนั้นได้ปฏิบัตินะครับเหตุการณ์อย่างนี้จึงทําให้รู้ว่าเป็นคนดีและเป็นคนที่มีอามานะเป็นคนที่ไม่เป็นคนคิดร้ายแต่อย่างใดนะครับเหตุนี้เองจึงได้เสนอกับพ่อของตัวเองนะครับ <c oughs> ที่บอกว่าให้จ้างนะ ชายท่านนี้นะครับเพื่อดูแลและกิจการที่เรามีอยู่นะครับอินนัคไหโรมานิสตะยัรเตลกาวิยุลอามีนและได้เหตุผลว่าแท้จริงถ้าท่านนี้นะครับได้จ้างมาก็จะเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงและมีความซื่อสัตยนะ์นั่นหมายความว่าความคดโกงการจะเอารัดเอาเปรียบจะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ที่ บอกดูแลฟังฟังดูขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้นบีมูซาไลสลัมนะได้มีโอกาสที่ได้อยู่นะแล้วก็ได้ใช้เวลานะที่เหลืออยู่ที่มีอยู่นะครับกับตรงนี้กับครอบครัวของสตรีสองท่านนี้อย่างไรก็ตามนะครับการที่ชายแปลกหน้าที่จะมาอยู่ในบ้านมันก็ดูกระไรอยู่นะครับก็จึง ได้วางแผนนะครับพ่อของหญิงสาวนั้นจึงได้วางแผนนะที่จะบอกว่าทาอย่างไรให้นบีมูซานั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ที่รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอย่างเดียวนะครับแต่ให้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวนะครับจึงได้บอกว่าก็ยอินอรดูอันอุฮะกะอิฮดับนาตีนฮตนอลาอันตจรนซมานฮินี่คือสิ่งที่เพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการลดเกียริ นะครับหรือเป็นการลบหลู่โคมบุคคลที่จะได้ก้าวเข้าสู่กับเป็นรสซูลนะครับซึ่งแน่นอนครับพ่อของออหญิงสงทีสอ ง, องสองท่านนี้นะรู้ดีนะครับว่านี่คือนี่คือบุคคลที่อัลลอฮสุภาโนวตาาปกป้องแล้วก็ให้รอดพ้นจากเื้อมือของฟิรันะครับแล้วจะบอกว่าแท้จริงฉันต้องการหรืออยากที่จะให้ท่านนั้นแต่งงานกับหนึ่งในสองสตรี ลูกสาวของฉันเลือกเอาคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็เร า, าเราเรียกว่ามาฮัดแล้วกันนะครับเรว่าสินสอดหรือการท่นก็คือการที่ท่านจะต้อง อ, อยู่ที่นี่นะครับเป็นเวลา8ปนะีมารับเลี้ยงรับผิดชอบเรื่องการ เ, าเลี้ยงแกะเรื่องการให้น้ากัตสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้ฟาอินอัตมัมตะอัชรันฟมินอินดิก นะครับแล้วก็มีข้อเสนอเล็กน้อยนะครับในฐานะที่ว่าที่พอตานะฮะก็เลยบอกว่าแต่ถ้าท่านจะทำหรือจะใช้ให้ครบสิบปีก็อยู่ที่น้ำใจอยู่ที่การสมัครใจของท่านนะครับนี่คือเป็น2 อ, องหยักนะครับหรือ2คํคำพูดที่บอกว่า 1. สิ่งจำเป็นที่จะต้องให้นะครับนั่นคือ8ปปีที่จะต้องดูแลบริาหารจัดการ นะครับแล้วก็อยูอ่อยู่ไม่ได้เหมือนคนจ้างคนคนรับจ้างแต่อยู่เป็นครอบครัวนะครับโดยที่มีการแต่งงานกับลูกสาวนะครับซึ่งนบีมูซาก็ตกลงนะครับแล้วก็บอกว่าว า, า, าพ่อของหญิงนะได้บอกว่าว่มาอุริว่มาอุริดวน อ, ชอาชกกอะไที่บอกอย่างนี้ไม่ได้ต้องการที่ให้ท่านรู้สึกละบากใจนะที่บอกว่าจริงๆแล้วคือแปปีนะครับแต่ถ้าจะให้ครบสิบก็ ก็แล้วแต่ท่านนะครับคําพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะทําให้นบีมูซารู้สึกอึดอัดใจนะครับลำบากใจว่าโอ้ทำอย่างนี้หมายถึงว่าเหมือนกับบังคับใกลๆนะครับดังนั้นทางออกพี่น้องลองดูนะครับคะทางออกที่เป็นวาจาคําพูดที่ดูขลึกรามีประนอมแล้วก็เข้าใจกันนะครับบอกว่า ท่านนี้จะบอกว่าซา ย, ยูนิอิชอลลมินซาเลฮนนะครับว่าไม่ได้ทำให้ท่านลำบากใจนะท่านจะพบและเห็นว่าฉันนั้นเป็นคนที่ดีอิชอลละนะจคนที่ซื่อสัตย์และจะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงไม่ได้ว่าจะมีแง่มุมแต่อย่างใดนะครับในการที่หนึ่งในเรื่องของค่าสินสอดหรือค่ามาฮัดใน8ปีในการเลี้ยงดู คนะ่าเลี้ยงดูแกะเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องจ่ายนะท่านก็นดูแลก็ถือว่าการดูแลนี้ก็เถือวเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับในเรื่องของบ้ันนะครับส่วนจะทําให้ครบสิปีนั้นนะอยู่ที่ท่านนั้นอันเนี้ยไม่ได้ทําให้เกิดการคิดไม่ดีหรือพูดง่ายว่าะจะมีแง่หรือจะมีเงื่อนไขแต่อย่างใดไม่เลยนะครับเขาก็ยืนยันว่าท่านจะเห็นหมายถึงนบีมุสลาจะเห็นนะว่าที่พอตานั้นเป็นคนที่ดีนะอิชาอัลละฮ์นะครับ ท่านนบีมูซาอะลัยชาลามก็ตกลงนะครับแล้วก็กล่าวว่าเพื่อไม่ให้เกิดการาคิดอะไรหรือเพื่อปิดประตูของการกระสิบกระซาบของเชตตอนถึงได้บอกว่าก้อลาแดริกะไบเนีวเบยนกดังนั้นข้อตกลงระหว่างท่านกับฉันคือตรงนี้นะหมายถึง8ปีนะและอีกสองปีเป็นการสมัครใจเป็นการเาขาเรียกว่าถ้าถ้าฉันจะอยู่ถึงสิบก็ไม่เป็นไร นะครับถือถ้าทําให้ถึงสิบก็ like ไม่มีปัญหานะกอลแรลิกาไบเนียวไบหนึ่งอายามันอาเจไลนีกอ้วยตูฟลาอุดวานาอะไรเนไนบีมูซ่าพูดกันไว้หมดนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นหลักข้อที่เกิดขึ้นมันเป็นข้อตกลงอะไรที่เป็นหลักและอะไรที่เป็นรองนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องมีการ La พูดคุยเจรจาก่อนที่อะไรอะไรมันจะเดินหน้าต่อไป นะครับนั่นก็คื อ, เ, อเขาเรียกว่าเหมือนกับขั้นตอนวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งบทเรียนที่จะให้เราได้เห็นนะครับว่าถึงแม้นว่าการนีการหรือการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้หรือยอมอะไรทุกอย่างเราพูดเพื่อให้รู้ว่าเมื่อมี เงื่อนไขหรือมีข้อตกลงเราก็พูดเพื่อเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทั้งสองสามารถไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่ารับทุกอย่างตอนนี้และสุดท้ายเวลาเมื่อมันไม่ได้นะครับแล้วก็จะย้อนกลับมาอ้างในในในช่วงวันแรกๆที่เราพูดคุยกันนะครับวันเวลาผ่านไป หลายวันผ่านไปหลายปีผ่านไปมันก็อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเราคุยอย่างชัดเจนพูดให้ให้เคลียร์นะครับมันก็จะกลับมาในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเข้าใจเส้นกันและกันนะครับท่านอบดุลโสาอเลย islam จึงได้ตอบว่าก็อาจจมันอาจลัยล่กอไปดูฟาราวอัด้วนอะไรดังนั้นไม่ว่าจะ8ปีหรือ10ปีถ้าฉันทําครบอันหนึ่งอันใดดังนั้นเราไม่เขาเรียกไม่ทะเลาะกันนะไม่คิดเอ่อเขาเรียกว่าไม่บาดหมางกันนะ ไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะครับ น, นี่คื อ, อคำพูดก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะมีข้อตกลงต่อไปนะครับและได้บอกนะครับวอลลอว่าอาามานาคูลูวาคีนะครับขอเลาให้เป็นพยานในการที่คุยกันาการตกลงการที่เร า, าทั้งสองได้มีพันธสัญญานะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอันใดก็แล้วแต่หรือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราทาการสัญญาทาในเรื่องของ เอ่อเขเกข้อตกลงใดๆก็แล้วแต่อ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องอนิกาเนี่ยอันนี้นะครับเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของการตกลงการทำงานร่วมกันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีข้อตกลงที่ควรจะต้องอ่านะบอกอย่างชัดเจนคุยอย่างชัดเจนเพื่อให้ตกผนึกและยอมรับกันทั้งสองฝ่ายนะครับและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับถ้า เราไม่ทำไม่ถึงค้เร่งเงื่อนไขข้อแรกนั่นคือความผิดที่เราเกิดขึ้นจากเราเพราะเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติได้นะครับส่วนที่เหลือซึ่งเป็ น, ข, นข้อตกลงสมัครใจนะครับเราจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่เรานะครับดังนั้นจะต้องไม่มีการบางมางว่า ได้ให้ขนาดนี้แล้วทําไมอีกสักสองปีทําให้ไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในในในการเจราจาในระหว่างในยุคนี้นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญนะครับกุร์านอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องแหละครับนะักเราว่ากุร์านเป็นธรรมนูญดังนั้นทุกขั้นตอนใ น, นอัลกุรา์านไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับรวนแล้วแต่มันมันส่งหรือมันทําให้เราได้คิดได้ข้อคิดนะครับว่า ถ้าจะมีข้อตกลงใดๆนะครับก็ควรที่จะพูดเจราจานะแล้วก็ถ้ามีเงื่อนไขนะครับก็ต้องพูดตามเงื่อนไขอะไรที่มันขั้นระดับขั้นตอนความสําคัญนะอะไรคือมาที่หนึ่งอะไรคือหลังจากนั้นแล้วก็อะไรที่มันทําแล้วแล้วก็ไม่ไม่ขั้นแรกไม่ได้ไม่อะไรกันทั้งคู่นะครับนะพูดง่ายว่าทางน้มก็อย่ า, าคู่คู่กรณีหรือคู่สัญญาก็อย่าคิด หรืออย่าตั้งประเด็นหรือข้อสังเกตหรือความคิดที่ไม่ดีซึ่งกันและกันดังนั้นนี่คือที่ท่านนาบีมูซาอ ล, ลัยซ์สลามนั้นได้ได้ทําแล้วก็ได้เจรจาแล้วทําคุรข่านได้บอกไว้เพื่อให้เราได้เห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องอย่างนี้นะแม้กระทั่งเกิดกับท่านนาบีท่านรอซูลเองนะครับคือท่านนาบีมูซาอ ล, ลัยซ์สลามท่านก็ได้พูดชัดเจนแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเอาแค่8ปีพอมเบา แต่บอกกว้างๆ ว, ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะอาจจะมาอาจจะไล่นี่ก็โดยตุไม่ว่าจะแปดหรือสิบอันใดก็แล้วแต่ที่ฉันทํามันครบนะไม่ว่าจะเป็นแปดปีครบหรือสิบปีครบอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องไม่เขาเรียกไม่บาดหมางกันนะนะครับแล้วก็แน่นอนครับพยานการที่เราพูดคุยกันวันนี้เป็นอัลลอฮ์จะเป็นพยานให้นะครับ mm. ต่อมาครับหลังจากที่วันเวลาเรื่อง ผ่านไปนะครับอัลลอ์สุบฮานลฮาอวลาได้บอกนี้บอกว่าฟล ม, มากบอมูซัลอาจัลและเมื่อนบีมูซาอลฮิสแามได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของออที่วะทีพอตาได้กำหนดไว้ให้มาถึงมหฮักนะครับที่กำหนดก8ปีต้อง เ, ออเลี้ยงหรือบริหารหรือดูแลกิจการการเลี้ยงแก่ของที่บ้านนะครับเป็น8ปีหรือจะทำให้ครบ10ปีอยู่ที่ท่าน าการอยอมรับนะครับฟ ม, มามูซาโ ก, ออกอดอมูซาอาจนและเมื่อนบีมูซาได้ทำตามที่ได้สัญญาอันไว้จนครบถ้วนนะอย่างสมบูรณ์แบบก็คือาตามรายงานก็คือบอกว่า1ิปีนะครับท่านนาบีมูซาอะลฮิสาลามนะครับได้ดูแลนะปปีนี่คือวาวยิบละเพราะว่านั่นคือมหัศที่จำเป็นจะต้องจ่ายนะครับส่วนอีกสองปีนี่ก็คืออยู่เพื่อที่เขาเรียกว่ามีการมีน้าใจหรือการยอม หรือพร้อมที่จะปฏิบัตินะตามข้อเสนอซึ่งถึงแม้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข้อบังคับแต่อย่างใดแต่ด้วยกับอักลากด้วยกับมารยาทที่ท่านนบีมูซ่าอะลัยซัลามนะครับได้ได้ปฏิบัติให้เราเห็นนะว่าเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าเราให้แล้วเราจะปฏิบัติแล้วมันไม่ได้เหนือบอ ก, กว่าแรงอะไรนะครับก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แปลกที่เราจะได้ปฏิบัตินะครับ เมื่อท่บนนบิมูซาอลิสลามได้ทำครบแล้ววสรบิอลิฮีอานในสมิจนรินารก็ได้พาภรรยาที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับพาภรรยาพร้อมทั้งสัมภาระเดินทางนะมุ่งสู่บ้านเกิดก็คืออียิปต์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่จะเดินระหว่างทางนี่นะครับท่านนบิมูซาอลิสลามเห็นไฟที่ลุก หรือไฟที่มีเปลวไฟประกายไฟนะอยู่ข้างๆภกเขาตรงนี้พี่น้องครับว่าในวันนั้นเนี่ยตามนายนักิชาการตัฟซีได้บอกว่าเป็นวันที่มีมมลมแรงและมีความหนาวเหน็บมากๆนะครับฝูงแกะแพะที่นำมาเนี่ยนะครับก็อะรแตกกระเจิงวิ่งด้วยความหนาวนะแต่นบิมูซาเมื่อเห็นไฟลุกอยู่ห่างไกลออกไปนะครับที่บูเขาจึงได้บอกกับธรรยา ครอบครที่บอกว่ากอเลเลียลิมกุสูอินนีอานัสุนารอท่านพวกท่านได้อยู่ตรงนี้ก่อนนะให้พักอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวมาเพราะนมีมิโซาบอกฉันเห็นตรงนู้นนะเห็นไฟเห็นเปลวไฟที่เห็นแสงไฟที่มันลุกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นหน่อยลัลีอาทีกุม หวังว่าเดี๋ยวะจะได้ไปนำขลังฝืนไฟหรือว่าทุ่นไฟนะเอามาเป็นการนำทางหรือเอามาเป็นแสงหรือความร้อนของไฟเพื่อเที่ะมาเรื่องของความอบอุ่นนะเรื่องของความหนาวในตรงนี้มันมันมันมันสูงมากนะครับและอัลลีอัติกุมินฮะบิขับบารินเอาจาสวติมินันนาร เดี๋ไปดูตรงนู้นหรือไปดูว่าข่าวๆเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไ ร, ร, ง ร, งไรมีใครอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็จะได้เอาทุน่นไฟนะครับมามาเป็นมาเป็นแสงสว่างแล้วก็มาเป็นเขาเรียกพลังงานในการที่จะได้ให้ความร้อนออกับเรานะครับนั่นคือเป้าหมายนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบิมูซาอะเลย์ซัมได้กล่าวกับครอบครั ว, ร ว, รวกับภรรยาเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทิ้งไปไหน แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอะไรอย่างไรแต่ว่าเอาขอไปดูก่อนนะจะได้ข่าวสารข่าวาวอะไรหรือเปล่านะจะมีคนอยู่ตรงนู้นมีอย่างไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่ยังไัก็จะขอในเรื่องของออไฟนะครับนะทุ่นไฟหรื อ, อ, อทําไมก่อนก็จะเป็นเป็นฟืนนะครับมาเพื่อที่จะมานําทางตรงนี้และเพื่อจะมาให้ความอบอุ่นนะครับในคืนที่หนาวเหน็ด นะในรลมที่มีลมแรงนะครับและอัละละกุมตัสตารูนนะครับเผื่อพวกท่านนะเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับที่ได้นั่นก็จะได้ความอบอุ่นนะครับจากแสงไฟจากไฟที่ที่เดี๋ยวท่านนาบีมูซ่าที่จะนำมานะครับที่นี่ครับตรงนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างนะครับมันเป็นขั้นตอนหรือมันเป็นเสเตปของการาที่บันี้ในยุคนี้จะเรียกว่าอัสบับาสาเหตุ นะสาเหตุของแต่ละนะท่านนะรอซูลแต่ละท่านที่จะได้ถูกเขาเรียกถึงเวลาจะแต่งตั้งเป็นรอซูลที่จะได้ไปประกาศศาสนาไปบอกในเรื่องราวของอัลลอ์ไปบอกในเรื่องราวของศาสนาให้กับคนบุคคลหรือกลุ่มชนนะนั้นๆ น, น, นะครับที่บรรดารอซูลทั้งหลายได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่า แน่อนอนเรื่องราวที่เล่ามาเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วมันจึงดูเหมือนกับเป็นสเต็ปง่ายไดแต่อย่าลืมนะครับว่าในวินาทีในวิกฤตในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในะแต่และสเต็ p นั้นแน่นอนมันก็คือความยากลําบากมาเกิดการจักไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไปเพราะต้องการอย่างหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสละมวอเลยกุมงบาร์มัตุลละหัวบรักาต์